พระบัญญัติ627ภิกษุรู้ว่าฤดูร้อนยังเหลืออีกหนึ่งเดือนพึงแสวงหาจีวรคือผ้าอาบน้ําฝนได้รู้ว่าฤดูร้อนยังเหลืออีกกึ่งเดือนพึงทํานุ่งได้ถ้ารู้ว่ายังไม่ถึงเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนพึงแสวงหาจีวรคือผ้าอาบน้ําฝนรู้ว่ายังไม่ถึงกึ่งเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนพึงทํานุ่งต้องอบานิสักียาปาจิตตี เรื่องพระชัพพ์ีจบ